อาจยก็มาถ่ายคำบรรดาแต่พุทธบริษัทความจริงตอนเย็นที่ทำบุญรักพระเคะในเมื่ออาจารู่้่าพูดอย่างนั้นแล้วก็ทั้งหมดความหนักใจทา่านบอกว่าทุกคนมีความดีพอแล้วดีแล้วให้ท่ า, านาความดีเดิมไว้ใช่ไหมย่าท่ย่าลมว่าดีเก็บตัวหลัง พระงค์ฟังว่าาท้าเทพดาหรื อ, มร อ, า อ, ารอชมฤาษีเจ้าสมว่าดีก็แสดงว่าความดีที่เรามีอยู่มันมีมากพอก็อจะยังขาดที่สุดเดียวที่ยังไม่ไป น, นิพพานในเรื่องข้อยาการจะไป น, นิพพานนี่ความจริงก็เป็อไม่ยากเพราะว่าคนที่ได้มโนยี่ที่แล้วต่างคนต่างไปนิพพานได้ นั่นค่อยทรากว่าบา ร, รมีเดิมของเราถ้ามีบา ร, รมีไม่เป็นป ร, ร, ร, รมัตาบารมีเราไม่สามารถเห็นได้แม้แต่เงาพรตนิพพานเพราะพะนิพพานนี้ต้องมีคนมีเริ่บา ร, รมีเป็นป ร, ร, ร, รมัตาบารมีจึงไปได้ <c oughs> แล้วก็สำหรับคนที่ไ่ได้มโนยิทิแต่ว่ามีจิตรักนิพพานเป็นอารมณ์ อย่างนี้ก็ถือว่ามีบา ร, รมีเป็นปรมัตบา ร, รมีเพราะว่าพระนิพพานนี่ถ้าหากว่ามีบา ร, รมีไม่เป็นปาบา ร, รมัตบารมีเขาจะมีความรู้สึกบอกตัวเองว่าเขาไม่ไหวแต่กําลังใจนะคือบา ร, รมีนี่แปลกําลังใจเต็มเมื่อการปฏิบัติของบรรดาในพุ้ธบริษัทเพื่อนิตรทาน แต่เราทำเพื่อวิญญาณจริงๆก็อาจารเคยพูดมาแล้วอันดับแรกพยายามารักษาอารมณ์ความโสดาบันอันนี้ก็ไปขอธรรมดาท <c oughs> ี่บอะว่าเป็นธรรมดาราูปโสดาบันนี่ยังไงเราไปวัดสะกายสินทุกทางพลังกระชามนิจเต้นสารปานาบิปาตาเวตมาี จริงๆแล้วรูปโสดาบันมีธรรมนีนยบจะมีะแต่สองตัวไม่ได้นะคือพุทธังธรรมังสังฆังสนังอะชามิซึงแปลว่าท้านพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมาพระอริยส์เป็นที่ตัวคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพธรรมยอมรับนับถือพระอริยสองอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีจิตเข้าถึงพระไตรสักษณ์คม แล้วต่อไปมีสินห้าบริสุทธิ์เท่านี้พระพุทธเจ้าท ร, ทรงเรียกบุคคลนั้นว่ากระโสจารพันยากไหมมันซื้อไม่ยากเลยคือเมก่อนเขาจะไม่ยากก็ อ, อ่านหนังสือนะเพราะว่าการอ่านหนังสือเราไม่เข้าใจในหนังสือบางทีหนังสือก็ไม่ทําให้เราทำให้เราไม่เข้าใจการปฏิบัติจริงๆเ้าไม่ดูกันอย่างอื่น ถ้าดูสัญญาณเราจะนั่งสมาธิกเก่งวันเราสักสามสิบสชั่วโมงถูกไหมนิการเดินเร็วจากวันเมื่กี้สิชั่วโมงก็สามจะนั่งเก่งโดยมาันหลายคาน1ชั่วโมง2ชั่วโมงสชั่วโมงจะ่แนั่งไม่ขยับตัวเลย หรือว่าสามารถจะมีฤทธิ์มีเดะไงได้ก็ตามถ้าไม่สามารถตัดสังโยชสามได้ถ้าก็ถือว่ายังไม่พ้นอบายภูมิคือไม่มีประโยชน์เลยอ้นนี้เพราะว่าอย่างพระเทวทัตสามารถได้ห้าในปัญญาบกเึืงอนชาลโลกีและในที่สุดพระเทวทัตทั้งแปรเวจีมอนโรคือความเห็นผิดไม่เคยเขมาได้ การปฏิบัติจริงๆท่านต้องดูกันที่สัญญาสัญญาที่เราจะพึงปฏิบัติมี1ิบหนึ่งสกายะดิจิตสองวิจิกิจชาสามศิรับรตรปรามาสามอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันและสกิทาคามีพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีคุณสมบัติสามอย่างไม่ต่างแต่จิตละเอียดยากกว่ากัน พระสัญญาคารมีเมล่รมละเอียดกว่าประโสดาปัน <c oughs> ถ้ายังยอยากอยู่เรียกว่าประโสดาปันประโสดาปันจริงๆก็จะเป็นสารับถ์เอกวมิชีโกลังโกละสตสังสตุปรรมะเอกวมิชีที่เมล่มละเอียดมากใกล้จะแปลนาขาวสัญญาคาคมีอย่างนี้เกิดจากคนตายเป็นทวดาหรือผม แตาห่มมาเกิดเป็นคนีกครั้งเดียวก็เป็นพระอรหันต์ปฏิภานอย่างกลางที่เรียกว่าโกรังโกละ <c oughs> ต้องเป็นคนใหม่สามครั้งกับเป็นธรรดาสามครั้งสลับกั น, 3, ก น, าานบางครั้งที่สามพระเทวดามักเป็นบางครั้งสามความหนึ่งคนก็เป็นพระอรหันต์พระโสดาบันยางยาบเลียวสตักประตูต้องเกิดเป็นเทวดากับคนสลับกันอย่างละเกตครั้ง ถ้ามีุขเป็นพาาระอรหันนี่ว่ากันตามแบบถ้าเราไม่มีวิธีปฏิบัติจริงๆไม่ถึงไปตามนั้นเพรว่าที่เจ้าอาวาสว่าไปตามแบบเพราะว่าข้าบังเอิญยังไม่บังเอิญพบพระอริยเจ้าถ้าเป็นบโสดาบันขั้นเอหรือขั้นสัจจโตูถ้าไม่พบพระอริยเจ้าก็ต้องพยายามฝันเฟือต่อสู้อุปสรรคด้วยตนเองก็ช้า สมมติว่าพวกเราถ้าเป็นประโสดาบันขั้นยาพิเดวสตาคตอ ย, ยังอ่อนถ้าเป็นแล้วแล้วชาตินี้ตายจากความดนคนไปเกิดเทวดาระพรมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับเพราะว่าหลังจากนี้ไปพระพุทธเจ้าจะไม่ฆ่าโออและกับนี้แล้วไม่ได้กลับนลย กลับนี้ท่าสิอ่านมาป 5, เป็นองค์ที่ห้าในหมดแรกในชุดแรกชุด ท, ที่สองก็มีพระรามในองค์ที่หนึ่งมาอีกห้าองเหมือนกันเพราะว่ากว่าย้สิ้นกลับนี้ไฟบันเลยกันยมาก็มีพระเจ้าอหกอถ้ามีอารมณ์ทรงความเป็นพระโสดาบันไม่ได้จะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สาคัญเป็นเพียงว่าพระโสดาบันปฏิบัติได้แบบไหนเราทําได้แบบไหนก็พอใช่ไหม เะไปหลกจะไปหงคิดว่าฉันเป็นพระโสดาบันและฉันดีถ้าคิดอย่างนี้เป็นความประมาทไม่ดีแน้ท่านเราจะเป็นได้จะไม่ได้ก็ตามพระโสดาบันเคารพพระพุทธเจ้าเราก็เคารพพระพุทธเจ้าพระโสดาบันเคารพพระธรรมเราก็เคารพพระธรรมพระโสดาบันเคารพพระอริยสงฆ์เราก็เคารพพระอริยสงฆ์พระโสดาบันมีศีลห้าบริสุทธิ์เราก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ มันจะเป็นประโสดาฟันและไม่ป็งกระชังมันเอาแค่นี้พอถ้าได้แค่นี้พอปากเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วใ น, ในชาติในอดีตก็ดีในชาติปัจจุบันก็ดีถ้าเราตายชาตินี้ไม่มีโอกาสจะดึงร ล, ลงอบายภูมิเมื่อเราจะเกิดเป็นสัตว์นรกจะเปิดไม่ได้เป็นเบลต์จักรกกายเป็นสติฉันไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาริยะเจ้าเขาห้ามลง ถ้าลงนล้คุ้มไหนคุมนั้นไฟดับพยาโยงก็หมดอาชีพถ้าแม่ไปไปตดนตะพุแน่จะมีทางเดียวจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมถ้าบะเอินไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมถ้ามีคุณสมบัติเขาก็โสดาปันทรงถูดบาา้างตามดิการมาแล้วจะเป็นและไม่เป็นไม่สำคัญ เท่านี้ฟังเทศเจ้พุทธเจ้าจบเดียวจ ะ, ปาาะเป็นพระอรหันต์ทันทีจะาไปนิพพานง่ายไหมของปืดสดวงแต่บางเอื่นเดินเดินไปเจ็บพื้นพลาสติกเยอะมันดีไม่เน่าไม่เปื่อยรษาง่ายไม่ต้องแช่ยึงนะอันนี้การปฏิบัติขบันดาแต่นพุทธบริษัทเพื่อความามั่นค ง, งของจิต กาปรปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ควรหวังความเป็นทวาดาหรือลมควรหวังผลิตพันฑ์เลยถ้ารักษารมได้ตามนั้นจริงๆว่าใช้อารมณ์ก็ระงัก็เของกิจใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนหรือเกิดทวดาหรือเป็นลรรมก็ตามมันไปสุขหรือเป็นทุกข์มนุษย์เกิดจีิงาติก็เป็นทุกข์เกิดแล้วกแก่แล้วก็ป่วย มีความปร า, ารถนาไม่ค่อะสมหวังมีการทัศน์าเจ้าของทักขอทศชายมีความตายเป็นอดีรไม่มีอะไรดีสัตว์กายเกิดเป็นมนุษย์กายเกิดเป็นเทวดาระพ่มังเกิดแล้ ว, ลวน้ำชาเหนื่อยปวดาท่านที่ไม่มีทิกมีปุญญาและไม่มี โ, มโนุษยิทธิก็ให้ถือตาความเป็นจริงว่าเทวดาและพ่มทั้งหมดคุณศาสนาบารมีจะตกกลับลงมาทุกใหม่ทําไม่ต้องการเราต้องการตัวเดียวทนิทีฐน อารมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียว่าตัดตัวอวิชาการนี้ไปนิพพานนั่นคือท่าลบใจจากาวิชชาได้แลท น, ใ น, ในิพพานได้แนอวิชชาพระพุทธเจ้าส่งแยกสับเป็นสองสัว้ฉันทากับราคะในขันธวัตถะพระนิยมฉันทะอวิชชาที่ว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่ครบค้วนและงโง่แยกแปะว่าไม่รู้ไม่ได อ่างสมเด็จพระธาจารย์โตท่านธรรมดาลอาสื่อก็แปลว่าไม่รู้อาวิชาแปลว่าไม่รู้สาเด็จพุะธาจารย์โตท่านบอกคนไม่เกิดมาไม่รู้ไม่เดียวต้องรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักขี้รู้จักกินแต่ไม่เคยไม่เคยรู้จักกินขี้นะแต่มารู้จักกินขี้ก็สวยเขาเรียกว่ายังต้องรู้จักสัตว์ยังรู้จักต้องมีความรู้เอาวิชาต้องแปลว่ารู้ไม่ครบถ้วนถ้าเป็นอย่างนั้น เพรท่านแน่นนอนกว่าเพราะว่าสมเด็จโตเราใครใครเทราบใครไม่ทราบแต่เขทราบพราว่าสมเด็จโตนั้ไม่เหตุผลท่านเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้านี้พูดศานเอกคนทานแปประโยชน์พระอริยังแปลผู้บริสุทธิ์หมดจุกดันั้นพระอริเจ้าแปลศัพท์ได้สองศัพท์คือไม่รู้จริงหโลก คือฉันระโง่คิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีคนนี้คิดว่าจะเกิดต่อไปดีไม่โง่มากเขาเกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติเก็มีสภาพแบบเนี้ยเกิดแก่เจ็บตายอยู่แบบนี้ในเแต่ละเวลาหาทรัพย์สินเกือบตายร่ำรวยแท่ก็ตามตายแล้วก็แบกไปไม่ได้แล้วก็ไปติดใจเป็นความพอใจในกายเกิดเป็นเทวดารื่งคม แต่เป็นธรรดาถ้าผมหมดคุณวิสนาบาีก็ต้องหล่นมาก็ไม่ดีพระโงโกราคะเห็นว่ามนุสสนโลกดีน่าอยู่จักรโลกรวมโลกสวยน่าอยู่อันนี้ก็โง่ถ้าแตกความโง่เห็นว่ามนุษสนโลกจักรโลกควมโลกไม่เป็นเรื่องเราต้องการผ่านนี่ไปอารมณ์พระหรหันยิ่งนั้นข อ, อนทุกคนผู้นักปฏิบัติแต่ความจริงที่เขาปฏิบัติจริงๆเขาทำกันแบบนี้ อันดับแรกก็ตึงอารมณ์อพระโสดาบันให้ทรงโตก่อนนั่นคือพระโสดาบันและอิคาคา ม, มีมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะมีสิงบริสุทธิ์ปัญญาไม่ได้ใช่อะไรมากมีความรู้สึกตางความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสนหรับสมาธิสมาธิแค่พระตัชายแค่นิดเดีหน่อยพะทรงอารมณ์ได้แต่ว่ามีสินบริสุทธิ์ ถ้ามีเราทรงตัวได้อย่างนี้แล้วก็ดึงอารมณ์อะไรนี้มาไว้ในใจเห็นความจริงของโลกก่าัดุกที่ว่าโลกกับรภพโลกคุกเราไว้ต่อการต้องการนิพพานถ้าจิตรักนิพพานเป็นอารมณ์พระสูดาไฟเขาแปลพูดเข้าถึงกระแสนิพพานื่อจิตรักนิพพานเป็นอารมณ์จริงตายแล้วมันก็ไปที่ไหนจิตไม่ไปไหนนี่แปลว่าเราเป็นเบื้องปลาย แล้วก็ย้อนม า, าเบื้องต้นใหม่เบื้องต้นจริงๆการคุมอารมณ์คว่าสมาธิเนี่ยพอทุกคนโปรดทราบเขาแปลว่าตั้งใจตั้งใจมั่นแต่คําว่ามั่นไว้เพาตั้งใจจริงๆอย่างจังถ้าแปลอย่างนี้ทุกคนพ้อหมด <c oughs> มั่นกันแค่นั้นเมื่อจะแต่งงานักตีก็แย่หาวอดเปิดวัด มันตั้งใจมั่นจริงๆไม่ได้จิตใจเราต้องปล่อยกมลงบางเวลาคาว่าตั้งใจมไม่สมายความนึกถึงพระเจ้ากวามนึกถึงถึงทั้งวันและคืนมันเป็นไปไม่ได้คาว่าตั้งใจมั่นจริงๆถ้าจิตว่างจากงานอื่นถ้าเราลึกถึงพระพุทธเจา้าพระรพุทธเจ้าก็าึกเขาพระพุทธเจา้าภาวนาว่าพุทโธธรรม โ, ม ส, โรมสังโฆก็ได้ธรรมโส แต่ว่าความจริงพุทธานุสติก็ดีทั้งอัลวาอนุสติทั้งหมดนอกจากอนาปานุสติเนื้อแท้จริงๆเราไม่ได้ภาวนากันอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจิตนึกถึงแบบอารมณ์เบาๆแต่ว่ามีความมั่คงเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงเรายอมรับปับถือพระธรรมจริงและยอมรับถือรับนับถือว่าพระอริยสงฆ์เถิด เรีพุทธานุสติธรรมานุติสังขารนุติมาศีลานุสติเรามีความจำว่าสิ่งของเรามีจีวสีขาบุเราจะรักษาสิ่ของเราให้ครบถ้วนแต่นี้เรามีอุปสมานุติต่อชัยขึ้นนึกถึงมรรคผลในอารมณ์อันนี้อารมณ์พระาารอรหันต์นนี้เองนี่การทำสมาธิขบรรดาแต่พุทธบริษัทยาใช้เวลาให้มากเกินพอดี ต้องใช้เวลาใช้การปฏิบัติจริงๆให้ใช้คุณสมบัติของจิตยาใช่ปริมาณของเวลาคําว่าคุณสมบัติหมายความและต้องการเวลานั้นต้องการให้จิตว่างใจ ก, กิเลสการคาว่าจิตว่างใจ ก, กิเลสว่างตอนไหนเวลาไหนก็ตามถ้าเรารู้ลมให้ใจเข้าให้ใจใใ จ, ใใจอให้ใจออกโดยที่เราไม่นึกถึงเรื่องอื่นเลย มันจะมีเวลาสักหนึ่งนาทีหรือกึนาทีแล้สองนาทีก็ตามเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลสถ้าเราภาวนาด้วยรารู้คำภาวนาด้วยรารู้ลมหายใจเขาออกด้วยใจใช้เวลาได้จริงจังเท่าไหรก็ตามกีถือว่าว่างจากกิเลสถ้าเราทำจิตว่างจากกิเลสสมมติว่าเราจเจรเดิ น, าานทัศนบัณฑ์เพื่อที่ปฏิบัติธรรมโมติใช้เวลายี่สินาที แต่ที่นี่นะในเวลายี่สิบนาทีนี้ก่อนที่เราจะภาวนาในตก็นั่งนึกคิดว่ากายเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดเมื่อไรเราก็ต้องแก่เมือนนั้นนึกถึงชีวิตพวกเราว่าก่อนจะมันนั่งที่นี่หรือจะไปที่บ่ายก็ตามเราก็มีแต่ความทุกข์โศกมีความวุ่นวายด้วยการทำมาฆิงเวลานี้คนอ้วนเงินพร้อม ใช่ไหมเงินแปบหายไปบาทละส17เจสตางค์ถ้าไปซื้อของจริงไหก็ไปบาทไดห้าสิบบาทเงินแปบ ล, ลงของราคาขึ้นตอนนี้ไอ้เราก็มีความเป็นทุกข์ต้องหามนะันหนักหาได้ไกลแบงค์ได้เท่าเติมจะซื้อของได้ไม่เข่าเติมความทุกข์เราอ่อมากอันนี้ไม่เกิเป็นโทษใครเท่านะั้ถือว่าเป็นกฎพฤกรรมที่เราเกิดมาเป็นคน าการพยันตมันเนพียงก็ต้องมากขึ้นไอ้ความพยันต์มันเนพียงมากขึ้นแล้วคนเหนื่อยมากขึ้นการทําแบบนี้มันสุดก็มันทุกขมันจําเป็นจะต้องทำเมื่อไรต้องกินต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นมันก็คือความววทุกข์นี่เรียว่าตัวทุกข์อะไรจะไปมองเห็นแล้วก็ น, นั่งนึกในใจว่าอึใกล้เกิดจะมันทุกข์นั่ไม่เปเรื่องถ้าเราเกิดสิ่งประดานะผมก็ไม่พ้นความทุกข์ต้องเพ่งลงมาอีก เราต้องการตัวเดียวคือนิพพานเราพนิพพ า, านเบื้องต้นเขาทำยังไงเพราะเดปานิพพานในเบื้องต้นเอาไปง่ายๆเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสัจและคนไมรใจใจแต่เรายอมรับตักถือแรกเราพยา ย, ยามจะควบคุมใจเราให้ทรงศินให้บริสุทธิ์ถ้าตายไม่ได้เขาปนิพพานอย่างนั้นถ้าจิตยังคิดอยู่อย่างนี้สิว่จิตว่างจากกิเลสใช่ไลนะ่ะ แล้วว่างขั้นดีด้วยไม่ต้องไปคิดมากอ่ะเอาแค่นี้ว่างขั้นดีคือว่างขั้นพระอริยเจ้าแล้วว่างขั้นจะปฏิพานได้เลยถ้ายังคิดอยู่อย่างนี้ถึงเวลานั้นจิตว่างจะเกิเดที่ยังไม่ภาวนาเวลานั่งเงียบๆนะ <c oughs> จากภาวนาแลือพิจารณาได้ก็ได้แต่สองอย่าง <c oughs> ถ้ารับที่พูดเมื่อกี้ในคิดเมื่อกี้ถือว่าตัวใช้ปัญญา ปัญญาอย่างพระโสดาบันหรือปัญญาอย่างพระสีทาคามที่พระพุทธเจา้าบอกวามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยคําว่ามีสมาธิเล็กน้อยเวลายี่สิบนาทีแล้วคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปถึงพระพุทธธรมรมประสงค์ทขาสิงสิงที่ไม่พานไปไประมาณเปิดบ้านปเปิดแล้วไอ้ที่บ้านลูกมันอยู่แล้วมันอยู่มาอยู่แล้วมาอยู่ขึ้นนี่ฝาเรามีแล้วหม้อข้าวที่บ้านมาใส่ไปไหนแล้วเปล่าว่า เมืเ่อเต่เปิดเปลืงไปเมื่อหลุดไปใช่ไหมนี่ถือว่าสมาธิเล็กน้อยพอรู้ตัวปักเข้าคิดติด ท, ทางชนะไม่ใช่กลับมาจับจับเรื่องต้นใหม่จากเรื่องพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรื่องสิงนึกคิดใหม่ที่ว่าโยนไปโยนมาอย่างนี้ถือว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยนี่ใช้ได้ไหมจิตจะลงความขณะที่คิดอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวปัญญาที่เราเรียกว่าวิปัสนาญาณ ใช่หไหมไม่ต้อไปปัดแรงแนานาเขาค่อย ป, ปัดปัดแรงว่าเดี๋ยวไม่เจอไอตตอที่ปูดจะไม่หมดกระดูกนแข่งแตกเขาค่อย ป, ปัดค่อยค่อยปัดแบบนี้เราเป็นพระอาญาเจ้าง่ายๆแล้วก็ไปนิพพานแบบง่ายๆแต่ความจริงเข้าไปจะไม่ยากเขาไปาง่ายๆไอ้นักปฏิบัติที่นั่งเกียดวันยังข้ามกิริยาลุงไปไม่ได้ จะทำสมาธิดียังไงก็ตามถ้าตัดสัโยาน์ไม่ได้ปัิภาไม่ได้เป็นข้ออัยย่าไม่ได้สัโยา์ข้อต้นเท่านี้นะจะได้ก็ย้อนหลังลไปหน่อยหรือว่าวันนี้กระทานี้ก็อจะ้ย้อนหลังลงไปนิดเดียวการเจริญสมาธิทำยางไใรรางใช้ปัญญาทอยางไงต้องบกว่าสมาธิในหูสุกหูตุกแสดงหูยาวมันหลงคงได้นะ ถ้าเราไม่เคยตายนะไปเจริญสมาธินีม่มันไม่ไหวแล้วดีไม่ดีก็มีคนโจทย์ยันกันแต่เคยเมื่อตอนก่อนไม่เคยได้ยินมีคนไปเจริญสมถะหรือพุทนาที่ไหนก็ตามกลับมาใจก็เจ็บก็ป่วยธรรมดาอาการ เ, รเจ็บไข้ไปสบายเป็นของธรรมดาพระอนิจจก็ตามพระโสดาบันนึกคนโลภีหรือชาวบ้านเนี่ยเขพุดจเจ้า ก, ก็ตามร่างกายเจ็บเหมือนกันหมด เป็นไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมดต้องมีทุกขเวทนาเหมือนกันหมดมีความรู้สึกเท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอราหันต์ประสาทไวมากมีความรู้สึกเร็วกว่าคนธรรมดามากเนทุกขเวทนาเกิดขึ้นปั๊บท่าจะรู้สึกทันทีทันทีงไวจักแต่ว่าทําไมถึงไม่ทุกท่านร่างกายทุกจิตใจทุกท่านหงทุกใช่มเ้าใจไห เขาว่าใจไม่ทุกข์ยอมรับความเป็นจริงใครก็ไม่ก่อนฉันทราบแล้วว่าใคจะป่วยได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ไปอ่านหนังไม่ได้รู้ตัวแล้วว่าร่างกายี่มันต้องแก่ทุกวันลักษณะของคนแก่เป็นยังไาางลักษณะคนแก่กายขครงตัวไม่มีน <c oughs> ิสัยและถ้า ก, การป่วยใครมันสบายถือว่าเป็นเรื่องธรรมด า, าคนละสายอะไรที่จะเกิดขึ้นพราะฉันทราบแล้วก็รู้ไวมากภาษาดีมาก เรีกว่าส ต, ติเ ส, สื่อมายแสหารสมุนแบบไม่มีเถื่มันเกิดขึ้นปั๊ดท่านก็ไม่เถืออีกว่าธรรมดาก็งคือมันต้องป่วยธรรมดาก็งคือมัน้องแก่ถ้าเจ็บป่วยเจแ๊แก่ก็ตามใจคือถ้าป่วยเจ๊แก่มีหมอรักษาถ้าเจห๊หมอรักษาทนทานพัฒนาหา ย, หายถ้าไม่หายถ้าไม่หายยีปานาจัดใจไปคิดี้ไม่ไม่ไ ม, ทมีทุกข์แม้สารน่ะทาไมฉันยิ่รู้ฉันอ่านหนังสือ หนังสือท่านบอกใช่ไหมก็เราซื้อท่านบอกเขาซือใครอ่านใครเขียนเราซื้อเพาะพุทธเจ้าเขาสั่ให้าเขียนพระเจ้าเป็นวบาลถ้าฉันไม่เชื่อใครคำพุทธเจ้าที่เชื่อใครใหก็รงความว่าภาพจิตใจของเราถ้าจริญสมาธิให้มีความเข้าใจว่าการเริญสมาธิอย่าให้ใช้อารมณ์เครียด ก่อนที่จะทำสมาธินี่ตอนต้นนะให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดคำมันน้อยที่สุดอย่าไปตั้งเวลาสิบนาที20ปนาทีส0มสนาทีอยากตั้งเวลาเท่าไรเช่าต้องการอย่างเดียวคือุมสบายอี่เป็นสุดเราจะเรินสมถทานปัจจายก็ตามผลที่เราตัองใจต่องการคือเวลานั้นอิ่เป็นสุด ก็เริ่มทำสมาธิแล้วก็อย่าเคร่งเครืนไปอาจารย์บางลูกก็ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ อ, าารยรยอ้าอไม่ ใ, ไมใยไ ม, ใไม่ใช่อาจารย์่เสียไม่ใช่อาจารย์ต้องนั่งแบบนี้ต้องตั้งตัวตรงต้องตั้งท่านี้ที่เคยเห็นมาตอนที่เคยมาก็กพอเอินฉันเดินกลับไป พอพวกต้นจารุกระมรังมาบอกแบบนั้นใชไน ฟ, ฟไปถานพวกฟังพวกฟัก็ไปไปถามว่ามันเป็นป้าหลังหอยังถามไม่ว่าหลังเป็นอะไรสินผ้าสินเขาเป็อย่างท่านไม่เข้าใจไปเชื่อมันให้ดูตัวอย่างพระเจ้าสอนพระเจ้าสอนบอว่าเธ อ, อทั้งหลายจระส่วนสุด้องอย่างคือหนึ่งอัตตาเืิมฐานโยกประมาณร่างกายเีตเดิมไป สองการบรรสุทคณนิการนิยกเวลาทำอยากได้มากเกินไปอยากได้ชั้นนั้นอยากได้ชันนี้การบรรสุทคานิการนิยกแปลว่ายอดยอนันนี้ไม่ถูกการมะดแรงฟันไส้คืออยากได้ชั้นนู้นอยากได้ชั้นนี้อยากได้ชั้นนั้นเลยไม่ได้แ ม, ม้แต่าการจักสมาธิต้องทำใจสบดวายใจใจรู้ลงให้ใจเข้า ใ, ใจออกรู้คำภาวนาหนึ่งตน พอภาวนาไปก็ดีรู้เราไม่ใจเขาออกาดีจิตทู้สร้างคุมไม่อยู่ถ้าคุมไม่อยู่จริงอย่าฝืนเลิกเอาแค่พอสบายถ้าเริ่มไม่สบายก็เลิกบรอฟันเวลาไม่มีแต่ ว, วันนั้นทําแบบนี้นะแล้วก็เวลาทําจริงๆอย่าถือคำภาวนาโดยเฉพาะเพราะจิตของเรามีอารมณ์สองอย่างบางวันต้องบางโอกาสต้องการคิด บางโอกาสต้องการหยุดเวลาที่มันต้องการคิดลราบังคับให้หยุดคือรู้ลมไม่ใจก็ออกกับโควินี่มันจะไม่อยู่เคืดอถ้าเกิดการฝืนการมีการคลุ่มเกิดความผู้สารต้องปล่อยให้มันคิดถ้ามันจะคิดเราคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องบาๆก่อนอันดับแรกพระโสดาบันท่านทำยังไ ท่าเคารพพระบรุตเจา้าท่าเคารพพระธรรมให้นเคารพพระอริยสงฆ์ท่านมีสิ่งไม่สุดเราเราจะทําแบบนี้เราจะทํำแบบท่านจะลืมบัง่งหรือบัง่งเป็นของธรรมดาชนะตายที่ทรงเสียงได้ขนะนั่นแหลชนะเวลาไหนที่เราเผลอละเมิดสิ่งไปบัง่งเราถือว่าแพ้แพ้บั่ชนะบ้างไม่แพ้เราชนะตลอดบา ง, บางวันเราต้องการพิจารณาแบบนี้แต่จิตมันต้องการอยู่ เพื่ที่จะนามันก็กลุ่มอยูต้องให้มันให้มันอยู่มันต้องการรู้ลมใจเข้าและออกก็ให้มันรู้ขณะที่รับเจินนาตอนที่พูดบางทีนี้จิตก็ว่างใจกินลสถ้าจิตไม่ต้องการคิดจิตต้องการต้องการรู้ลมเข้าลมออกต้องการภาวนาขณะที่รู้ลมเข้าลมออกขณะที่รู้ภาวนาเวลานั้นจิตก็ว่างใจกเลสเพราะว่าใเจ้าต้องการจิตว่างใจกิเลสเป็นการปฏิบัติธรรมบัญญัติของบริษัทอยาฟืนอารมณ์ ไม่อยากรงใจให้เครียดสมมติว่าเราใช้เวลา20นาที20นาทีนี้จิตเราวุ่นวายพลังเอิมรมาทรงตัวได้เพียง2นาทีคนจะกพอใจเราถือว่ารู้คำภวนาก็ดีรู้รลมหายใจเขาออกก็ดีรู้ภาวนาก็ ด, าากดีแค่2นาทีเวลานั้นไม่มีลงอึดขวนเวลานั้นถือว่าเราชนะจิตเดชถ้าเราชนะจิตเดชเพื่อประคั่งละ2นาทีต่อวารนะ ถ้าสิบวันก็ย0่สนีใช่ไหมสาสวันก็60สนทีความดีที่จะทำไว้มันจะไม่ถอยหลังจะสะสมหรือมันจะสะสมคนอื่นและก็จงอย่าลืมว่าเวลาที่ทำกรรมาฐานอย่าสนใจเรื่องชานถ้าคิดว่าเราต้องการชาน้นต้องการชานนั้นต้องการชั้นนี้ไปทำบารมีนั่นท่านบอกเลยว่าพวกนี้ไม่เป็นเรื่องเลเะเะไม่ได้อะไรเลย อาจิตยังต้องการคำว่าฌานอยู่เพราะหลงในฌานเมาในฌานจะไม่ไ่าอะไรจิตจะปลกต้องพอใจในความสุขที่เรามีขณะที่ปฏิบัติเออใครไปจิตวิราชัก็ฐานตัน้งต้ น, ตนนั่งมาท้าวพิชันพูดถูกไหมถ้าท่านบอกว่าไอ้เทนนะันมันพูดไม่ถูกฉันก็ยอมรับปุูบ ถ้าท่านเฉยเฉยรับไปดูดนิภาพฉันพูดสูกไหมครับไปถามอะไรจอมาระหารเลยใชะไหเอเอนั่งนาาอยู่นะถามได้ยางถามแล้ ว, ลวอา่านบทดีไหมเี่ย น, นั่งสิงคอมือนะคอมือกแบบนี้แ ล, ล้วลงเวลาก็หมดไปสามสิบนาทีตอนนี้ย้อนีปนิดหนึ่งท่านผู้มาใหม่ ถ้าใหม่จริงๆไม่เคยปฏิบัติเลยพอเขบอกว่าเริ่มปฏิบัติได้ให้ใช้จิตรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกแล้วก็ภาวาตามใช้ใจเข้านึกว่าพุทธ ใ, ใจออกนวโทธตล้วก็ดีก็ได้นะ หรือว่าถ้าไม่พอใจในการภาวนาก็คิดว่าพระโสดาบันท่านมีอารมณ์แบบไหนพระโสดาบันท่านยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็คิดถึง่าพระพุทธเจ้าควรนับถือไหมว่านับถือแล้วก็ยอมรับก็ทําคําสอนของพระองค์เป็นไปไจลเกินความสุขจริงไหมถ้าจเรายอมรับพระอริยสงฆ์ผู้นําเขาทําคําสอนพระองค์เจ้ามาแล้วคนยอมรับนับถือไหม ก็ยอมนะก็ถือได้ผมรักก็สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไวดีไว้ดีเราควรยอมรับจิตใจใคร่ควรก็ ค, คิดว่าก็คิดต่อไปว่าสินค้าของเรามีอะไรบกพร่องบ้างถ้าส่วนไหนบกพร่องเราจะไม่ยอมให้บกพร่องต่อไปแต่บางวันมันอาจจะลืมหรือว่าช่างมันวันหลัก็ตั้งใจต่อสู้กันไหม่ใ ค, คร่ควรเแบบนี้ก็ใช้ได้โดยที่ไม่พิจารินานเลย ใ่ความยิ้ได้คิดอย่างนี้ได้เป็นปกติอาชมาคิดว่าดีกว่าตอนนั้นเพื่อเริ่มปับยอมรับ น, บกบโโกบนักสิงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ควบคุมกำลังใจก็อยู่ในสิงและพิจารณาว่าสิงรวบบุกท่อง่อนไหนบ้างเราจะไม่ยอมละเมิดคิดต่อไปนิดใช้ปัญญาข็อาหารหัตว่ากายเสือมนุตนเป็นภพรามได้ต่ อ, อาป เป็นเทวดาแร้อ เ, เ, เป็นพรมเป็นปทุกกรมีไม่สุขจริงถ้าไปนานแนละ้วมันต้องการต้องการเกเดเด็ไ ว, วนไปวนมาแบบนี้จะดีมากไอเียฉันโงกไปแล้วนะฉันยอมไห่พวกนี้โตามตอนที่ไป ม, มีกาลังใจเข้มแข็งพระพุทธเจ้าสยินยางใช่ทุกคนมีกำลังใจได้ความดีเข้มแข็งมากกันทุกคน